เพื่อความเข้าใจรอบด้านในเรื่องนิพผานสองนี้ขอย้อนไปกล่าวถึงความคลี่คลายของความหมายในรุ่นอัตถกถาและมะติของพระอัตถกถาจาร์อีกเล็กน้อยดังได้กล่าวแล้วว่าในบาลีคือพระไตรปิฎกคําว่าอนุปาทิเสสนิพานอย่างเดียวเท่านั้นถูกใช้ในการบรรยายเหตุการณ์หมายถึงการสิ้นชีวิตของพระอรหันต์เฉพาะอย่างยิ่งของพระพุทธเจ้า แต่ต่อมาในสมัยอัตถกาถาสอุปาทิเสสนิ พ, พานก็ถูกนํามาใช้ในการบรรยายเหตุการเช่นนั้นด้วยดังจะเห็นได้จากข้อความที่บรรยายเหตุการณ์เดียวกันในบาลีกับในอัตถกถาเปรียบเทียบกันดังนี้ในบาลีกล่าวว่าบินทบาทสองคราวมีผลเท่าเทกันมีวิบากเท่าเท่ากันมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่าบินทบาทคราวอื่นๆยิ่งนักกล่าวคือบินทบาทที่ตถาคตบริโภคแล้วตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและบินทบาทที่ตถาคตบริโภคแล้วปรินิพานด้วยอนุ ป, ปา ท, ทิเศ ส, สนิพานธาตุในอัตถกถาอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยบินทบาทที่นางสุชาดาถวายแล้ว ทรงปรินิพานด้วยสัพปาทิเศ ส, สนิพานธาตุเศรษฐบินทะบาททีินายจุนทะถวายแล้วปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุโดยความคลี่กลายของความหมายหรือวิวัฒนาการของการใช้คำตำหนงนี้จึงทําให้ความหมายของนิพานทั้งสองนี้ในอัตถกาถาหลายๆแห่งเน้นไปที่จุดแห่งเหตุการณ์ในชีวิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหรันต คือเน้นการกระทำอันได้แก่การบรรุภาวะมากกว่าจะเน้นตัวภาวะนั่นเองวิวัฒนาการอันเด่นชัดที่ทำให้ความหมายของนิพพานสองเน้นมาที่การกระทาหรือเหตุการมากขึ้นก็คือการบัญญัติคำว่ากิเลสปรินิพานและขันทะปรินิพานขึ้นใช้และกาหนดให้กิเลสปรินิพานเป็นความหมายของสอุปาทิเศ ส, สนิพาน พร้อมกับให้ขันธปรินิพานเป็นความหมายของอนุปาธิเสสนิพานอย่างไรก็ดีพึงเข้าใจว่าแม้โดยทั่วไปจะเน้นเช่นนั้นแต่อัตถกถาและดีกาก็ตระหนักอยู่เสมอถึงความหมายของสอุปาทิเสสนิพานในแง่ที่เป็นภาวะดังข้อความที่ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงดำรงอยู่ในสัปาทิเสสนิพานธาตุ จากยังพระอัตภาพให้เป็นไปทรงดาเนินพระชนชีพเพื่อบาเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายจึงจักทรงอยู่ด้วยทิฏฐธรรมสุขวิหารจนกว่าจะทรงบรรลุอนุปาทิเสสนิ พ, พานธาตพระอรหันต์ทั้งหลายดับไฟราคะเป็นต้นหมดสิน้นด้วยอรหัตมะแล้วดารงอยู่ในสอุปาทิเสสนิ พ, พานธาตมีปัญญาไม่เฉื่อยชาทั้งคืนวัน เพราะจริมะจิตดับไปย่อมปรินิพานไม่มีเหลือด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุด้วยเหตุนี้ความหมายของนิพานสองเมื่อว่าตามไนยะของอัตถกะถาทั่วๆวไปจึงมีลักษณะที่ค่อนข้างจำกัดหรือรัดตัวมากกล่าวคือสอุปาทิเสสนิพพานหมายถึงดับกิเลสยังมีเบญจขันเหลือหรือนิพานของพระอรหันผู้ยังมีชีวิต มุ่งเอาการบรรลุอรหัตผลอนุปาฏิเสสนิพานหมายถึงดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือหรื อ, อนิพานของพระอรหันต์เมื่อทำลายขันธ์บางทีเรียกว่าดับขันธ์มุ่งเอาการสิ้นชีวิตของพระอรหันต์โดยเฉพาะอนุปาติเสสนิพานนั้นบางทีท่านเอาคติเรื่องจริมจิตหรือจริมวิญญาณมาช่วยอธิบายด้วย ทำให้ความหมายของอนุปาทิเศสนิพานจำเพาะเจาะจงลงไปที่การสิ้นชีวิตของพระอรหันต์อย่างชนิด จ, จำกัดตายตัวดิ้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทีเดียวบันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่สามเรื่องจริมจิตจริมจิตจริมกะจิตจริมวิญญาณจริมกะวิญญาณมีความหมายอย่างเดียวกันคือแปลว่า จิตสุดท้ายหรือวิญญาณสุดท้ายบางทีแปลแถมเข้าให้ชัดขึ้นว่าจิตดวงสุดท้ายในภพหมายถึงจุติจิตหรือจุติวิญญาณของพระอระหันต์หรือเรียกในยะหนึ่งว่าปรินิพานจิตคือจิตสุดท้ายที่สิ้นชีวิตของพระอระหันต์หรือจิตขณะที่ปรินิพานคำว่าจริมวิญญาณมีใช้ครั้งแรกในจุลนิเทศ ซึ่งเป็นคำพีชั้นรองในพระไตรปิฎกดังความว่าเมื่อพระอระหันต์ปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สะปรินิพานธาตุนั้นเพราะความดับไปแห่งจริยะวิญญาณทมเหล่านี้คือปัญญาและสตินามและรูปย่อมดับคือสงบถึงความไม่ตั้งอยู่ระงับไปณทีน่นี้ในสมัยอัตถกถาคำว่าจริยะวิญญาณ และจริมจิตมีใช้มากขึ้นบางแห่งกําหนดเอาการบรรลุอนุปาทิเศ ส, สนิพานด้วยการดับจริมจิตพร้อมกันนั้นก็กําหนดเอาการบรรลุสัพปาทิเศ ส, สนิพานหรือเริ่มดํารงอยู่ในสัพปาทิเศ ส, สนิพานด้วยการบรระะลุอร่ากผลอันหนึง่งพึงสังเกตว่าในคัมภีร์ฉบับอักษรไทยจริมจิตและจริมวิ ญ, ญญาณจะใช้คําต่างกัน เป็นปุริมาจิตและปุริมาวิญญาณที่แปลว่าจิตหรือวิญญาณที่มีมาก่อนและใช้คําอย่างนี้อยู่หลายแห่งแต่หลักฐานยันกันเองว่าที่ถูกเป็นจริมะเช่นในบาลีเป็นปุริมาแต่อัรถกถาอธิบายความตรงนั้นเป็นจริมะข้อความเดียวกันอยู่ในคัมภีร์คนละเล่มเล่มหนึ่งเป็นปุริมาแต่อีกเล่มหนึ่งเป็นจริมะเป็นต้น จบบันทึกที่หนึ่งขอเข้าสู่เนื้อหาในบทที่7ต่อไปอย่างไรก็ดีในบาลีบางแห่งที่บรรยายภาวะและความเป็นไปของพระอระหันต์อัตถกถาได้อธิบายแยกว่าตอนนั้นเป็นสัพปาทิเสสนิพานตอนนี้เป็นอนุปาทิเสสนิพานบาลีและคําอธิบายเช่นนั้นบางแห่งก็อาจช่วยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิพานสองอย่างนี้กระจ่างมากขึ้น เช่นบาลีแห่งหนึ่งคือในโลกสูตรกุตการนิกายอุทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะตัณหาสิ้นไปโดยประการทั้งปวงจึงนิโรธด้วยคลายออกได้ไม่มีเหลือนั่นแหละคือนิพพานสำหรับภิกษุผู้นิพพานแล้วนั้นเพราะไม่ถือมั่นพบใหม่จึงไม่มีอัตถกถาอธิบายว่าข้อความในบาลีนี้แบ่งเป็นสองท่อน ท่อนแรกคือเพราะตัณหาสิ้นไปโดยประการทั้งปวงจึงนิโรธด้วยกลายออกได้ไม่มีเหลือนั่นแหละคือนิพพานท่อนนี้หมายถึงสาุปาทิเศ ส, สนิพพานท่อนหลังคือสำหรับพิสูผู้นิพพานแล้วนั้นเพราะไม่ถือมั่นพบใหม่จึงไม่มีท่อนนี้หมายถึงอนุปาทิเศ ส, สนิพพานข้อความนี้ รับกันดีกับบาลีที่แสดงนิพานสองในตอนเริ่มต้นของบทนี้ความหมายสรุปข้อนี้อาจพูดขยายให้เป็นภาพพจน์หรือมองเห็นเป็นปรูปธรรมยิ่งขึ้นว่าอนุปาทิเสสนิพานคือภาวะที่ยืนพื้นอยู่ตลอดทั้งเมื่อพระอรหันต์มีชีพอยู่และสิ้นชีพแล้วส่วนสอุปาทิเสสนิพานเป็ น, าานภาวะนิพานพื้นผิวที่มีเฉพาะตั้งแต่ตรัสรู้ถึงสิ้นชีพ ทำนองว่าซ้อนอยู่เมื่อพระอาหารหันต์สิ้นชีพแล้วจึงเป็นแต่ภาวะอนุปาทิเศ ส, สนิพานอย่างเดียว